3ถึง10การบอกเคลืนสิขาด้วยการใช้คำปริกับ14บทและ8บท46วงเล็บหนึ่งอีกประการหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้กระสันไม่ยินดีปรารถนาจะศึกอึดอัดเบื่อนายรังเกยียจเพศภิกษุปรารถนาจะเป็นครอหอัดปรารถนาจะไม่เป็นเชื้อสายพระสกยะบุตรบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าก็ถ้าว่าข้าพเจ้าพึงบอกคืน พระพุทธเจ้าวงเล็บแปดพิสูุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าก็ท่าว่าข้าพเจ้าพึงเป็นผู้ไม่ใช่เชื้อสายพระสักยบุตรวงเล็บหนึ่งพิสูุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าก็ท่าว่าข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระพุทธเจ้าวงเล็บแปดพิสูจบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าก็ท่าว่าข้าพเจ้าพึงเป็นผู้ไม่ใช่เชื้อสายพระสักยบุตรวงเล็บหนึ่งพิสูจบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าเอาเถอะข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระพุทธเจ้าวงเล็บแปด ภิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าเอาเถอะข้าพเจ้าพึงเป็นผู้ไม่ใช่เชื้อสายพระศักยาบุตรวงเล็บหนึ่งภิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าข้าพเจ้ามีความดำริว่าข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระพุทธเจ้าวงเล็บแภิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าข้าพเจ้ามีความดำริว่าข้าพเจ้าพึงเป็นผู้ไม่ใช่เชื้อสายพระศักยาบุตรภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการเปิดเผยความท้อแท้แต่ไม่เป็นการบอกคืนสิขา